ขอร อ, อบน้อมต่อคุณพร ต, ตรีไตรโขการเพื่อนสัตว์ทางมิตท่านจเจริญธรรมสามเนรมาชยระยะที่ทำทุกท่านเมื่ อ, อ, อ, อ, อกี้นี้พระยันอดก็นำสวดบทบางสกุลเนาะอนิจจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชชิตวานิลุชันติ ใจสังวูปสมโอสุขโขหนะ่ก็สังขาร น, นี้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะสังขาร น, นั้นนะก็มีความเกิดความดับผู้ใดเข้าไประงับสังขารคือความคิดปรุงแต่งเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขเนาะอันนี้ก็เป็นบทที่มาเวลามันก็มีงานศพเนาะแล้วกนะ็ก็จะมีการสวดพระ อ, อภิธรรม ต่างๆและหลังนั้นก็มีการบังสกุลนะก็เอายงงสายศิลมาจากศพนั่นแหละแล้วก็มาให้พระนะแล้วก็บางทีก็มีการาวางผ้าบังสกุลและพระก็พิจารณาผ้าบังสกุลนี้เนาะมันก็เป็นการอุทิศส่วนสนให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะให้จิตวิญญาณเขาได้รับส่วนกุศลในครั้งนั้นนั่นแหล ะ, ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีความหมายลึกๆนะัมันเป็น ธรรมะระดับสูงเลยนะคือในอภิธรรมทั้งหมดนะอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ทั้งหลายต่างๆเราเนี้ยเป็นเป็นธรรมะในระดับปรมาจินะเป็นเป็นเรื่องของนา ม, มาธรรมไม่ได้เป็นเรื่องของรูปเนาะอ่านะเป็นเป็นธรรมะระดับสูงที่พระเจ้าทรงแสดงบนสวรรค์นั่นแหละโพธดพระมารดาก็ยังยังในสมัยพุทธกาลก็ จะเป็นช่วงที่มีพรรษาหนึ่งที่พระเจ้าได้ขึ้นไปทรงแสดงอภิธรรมบนสวรรค์โปรดพรมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเานะพอถึงวันออกพรรษาก็แสดง <c oughs> ก็เสด็จกลับลงมาอันนี้ก็อภิธรรมก็เป็นบทชั้นสูงเนาะเพราะนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรมัติษฐ์ทบทั้งนั้นเนาะเป็นเรื่องของนามารำนวลล้วนเพราะฉะนันะ้นการที่บางสกุลนี้คำว่าสังขารนี่นะ มันก็ตีความได้ใช่ไม้มว่าสังขารนี่คือร่างกายอย่างหนึ่งนะแล้วก็ตีความว่าสังขารก็เป็นอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมคราวนี้ส่วนมากก็ไปตีความว่าสังขารนี่คือร่างกายนะก็เลยไ่พิจารณาว่าร่างกายนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเกิดความดับเป็นธรรมดาเนาะอันนี้คือตีตีความเป็นรูปธรรมนะว่าสังขารนี่คือร่างกายแต่จริงๆแล้ว นะอันนี้ถ้าเป็นในอภิธรรมเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวในพระาอาภิธรรมเป็นหลักมันก็คือสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองอนะย่ันที่ว่าในขันห้าใช่ไหมขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายและใจนะ ส, สังขาร น, นี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะคือเป็นความคิดปรุงแต่งนะรูปก็คือรูปร่างกายเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจําได้ไม่รู้ สังขารคือความคิดปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมลิ้นกายใจต่างๆเนาะนะครนี้นะบางทีถ้าเราตีความไม่ถูกนะั้นเราก็ไปยึดแค่เป็นร่างกายเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยให้กลับมาเห็นสังขารคือความคิดนี่แหละตรงเนี้ยมันมันเป็นหลักธรรมที่สําคัญมากเลยนะจริงๆแล้วสังขารที่เป็นร่างกายก็ดีนะคือถ้าเราพิจารณาว่ามันมีความ เส sí alive, mm ื hmm. course, be, uh, not, world, ่อมไปเป็นธรรมดานันก็เป็นสภาพอย่างหนึ่งที่ว่าเราก็จะได้ไม่ไปยึดถือมากใช่ไหมพอสมากเราก็ยึดถือสังขารว่าไม่นี่เป็นของเรานี่เป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยตรงนี้มันมันยึดปั๊บเนี่ยมันก็มันก็เป็นความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาใช่ไหมอ่าครานี้พอเราไม่ยึดปุ๊บมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะก็เป็นเรื่องของเขาเองนะสังขารก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมร่างกายก็อ่า เจ็บก็แก่ก็ตายไปนะนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเนาะเราก็บังคับสังขารไม่ได้ตาฟางหูตึงผมงอกผิวหนังย่อนต่างๆเนี่ยเราบังคับไม่ได้เลยนะเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเขาเขาเป็นเช่นนั้นของเขาเองน ะ, ะแต่ทําไมมันมีคําว่ามาไอ้ทำไมมีคําว่าเกิดแล้วก็ดับนะเพราะว่าสังขารนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะในภาวธรรมของเขาเองนะ มีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสังขารนี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสภาวะหนึ่งที่เราบังคับสังขารไม่ได้่ก็เป็นไปนตามที่เราต้องการไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่แหละเมื่อใครเข้าใจในสังขารความเป็นรูปกายในเช่นนี้ก็ไม่ไปยึดถือนะว่าต้องเป็นดีต้องวิเศษต้องเป็นสิ่งที่เราปรารถนาให้เป็นไปนตามเราต้องการมันเป็นไม่ไม่ได้นะเพิ่มมีก็ความเจ็บเป็นธรรมดาใช่ไหม มีความแก่เปนธรรมดามีความตายเปนธรรมดาเนี่ยพอระวังตรงนี้ได้มันก็ใจก็เบาลงไปแล้วเนาะแต่ที่สังขารอีกตัวหนึ่งที่มันนะเป็นที่เราเหมือนกับมันลึกซึ้งลงไปนะก็คือความคิดปรุงแต่งเนี่ยเรายัางดูไม่เคยทันมันนะเราก็ยังไม่ติดในความคิดต่างๆนะความคิดต่างๆเนี่ยตายเห็นรูปนะมันก็เข้ามาปรุงที่ใจลนะใช่ไหมตาเห็นรูปสวยนะอ่าเดผู้ชายเห็นผู้หญิงลสวย ก็เกิดความปรุงแต่งขึ้นมาในใจในการที่ว่าเออเรายินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นนะหรือว่าเราเห็นสิ่งที่ไม่งดไม่งามสิ่งที่น่าเกลียดเราเกิดความไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นเนี่แหละตรงนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าเมื่อมันเกิดเวทนานะเวทนาเนี่ยมันก็เกิดตัณหาคือความทยานอยากในลมเหล่านั้นอันนี้มันเป็นสังขารแล้วนะ คือการที่มันเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันเป็นสังขารขึ้นมาแล้วก็ไปปรุงแต่งต่างๆมากมายนะเป็นความรักความชางังความยึดติดเป็นอุปทานไปนะมันก็เป็นความที่เรียกว่าเราก็ไปยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะนั้น อ, อย่างที่เคยเล่าในเรื่องพระโพธิละแล้วเนะี่ยที่ว่ามีจอมปลวกนะจอมปลวกเนี่ยมันมีตัวละกวดอยู่ในในในจอมปลวกนั้นนะ แล้วนี่มันก็มีรูอยู่หกรูใช่ไหมคราวนี้จะถามว่าจะจับตัวตะกวดนั้นได้อย่างไรเนาะการจับตะกวดนั้นก็คือปิดรูห้ารูแล้วก็เปิดไว้รูเดียวนะเพราะฉนั้นมันออกอีกห้ารูไม่ได้น่แน่นอนไหมก็ออกในรูรูที่เปิดไว้นั่นแหละนะมันก็จะจับตัวตะกวดได้นะอันนี้เป็นการที่เรียกว่าพะโปธิละเนี่ยอเมื่อก่อนนั้นท่านก็ยังไม่เข้าถึงธรรมนะเพราะท่านเข้าถึงธรรมตรงนี้ท่านก็บรรลุเป็นพรนะอรหันต์เนาะ พท่านก็รู้ว่าเออจริงๆไอ้รูเดียวที่เร า, าต้องไปคอยจับตัวตะกวดนั่นแหละก็คือรูใจนั่นเองใช่ไหมมันก็คืออีกห้ารูคือตาหูจมลิ้นกายเนี่ยอันนี้มันต้องกระทบนะกระทบในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอนแข็งหรือใจนึกคิดเนี่ยทั้งหมดมันก็มารวมกันที่ใจทั้งหมดนะมนมาสูา่รูเดียวคือที่ใจนะใจ ใจมันมีความยินดียินร้ายใจมีลมลต่างๆมันเกิดจากที่อาญนะทั้ง6เนี่ยมามาเป็นสัมผัสสะนะแล้วก็มาเกิดทิจัยเท่านั้นเองใช่ไหมคราวนี้เมื่อเราสามารถสังเกตใจเราได้แล้วนะมันก็สามารถที่จะละมันได้นะถ้ามันสังเกตใจไม่ได้มันก็ละไม่ได้อันเนี้ยทิจัยนี่แหละมันคือสังขาร น, นั่นเองนะคือเมื่อมีกระทบนะทางอาญนะทั้งหแล้วเนี่ยมันก็มาปรากฏทิจัยเมื่อเกิดสังขารขึ้นมา คือความคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆนะมีความยินดีร้ายความพอใจไม่พอใจความรักความชังเยอะแยนะเนาะคราวนี้เมื่อเราสังเกตที่ใจเราได้แล้วก็รู้ทันสังขารที่เป็นความปรุงแต่งเหล่านั้นนะเมื่อเรารู้ทันปับ๊บรู้แล้วเป็นยังไงนะเราก็ไม่ไม่ไปจัดการเขานะไม่ไปให้เขาเขารู้แบบนี้นะอารมณ์เป็นแบบนี้ก็รู้ไปตามทัว เ, เป็น ไม่ใช่ว่าให้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะเพราะการที่เรารู้ตามที่เขาเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเนอะแต่การที่เราจัดการให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนั้นเป็นสมถะอันนั้นคือการไปบังคับไปกดข่มไปควบคุมดูแลเขาไวใช่ไหมเหมือนก็ใจใจนี่มาทางซ้ายเราก็อยากให้ใจมาทางขวาใจมาทางขวาอยากให้มาทางซ้ายมม่ก็ให้เขาเป็นไปที่เราต้องการก็ไป aker, นน <mêmes. S 1> บังคับเขาต่างาาาาๆเยอะแยะใช่ไหม อันนี้เขาเรียกว่าเราเรารู้แบบไม่ได้เป็นกลางนะมันไม่ได้เป็นการเป็นผู้ดูผู้รู้เฉยๆนะหรือรู้ซื่อๆนั่นแหละตรงนี้ถ้าเราดูเป็นนะก็เรียกวครูบาอาจารย์ตรงเนี้ท่านแนะนำเอาไว้หลายองค์เลยอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ได้นะเราไปบังคับก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมบังคับตาไม่เห็นลูกหูไม่ต้องได้ยินเสียงเราบังคับไม่ได้แต่สําคัญว่าเมื่อเราปรากฏอาการเช่นนั้นในใจ อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราสามารถรู้เฉยๆได้ไหมรู้ซื่อๆได้ไหมเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นได้ไหมเห็นไม่เป็นได้ไหมเนี่ยตรงนี้มันมันเป็นประเด็นสําคัญกว่าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในสภาวะสังขารก็คือเราแค่ดูมันนะมันก็แสดงความเกิดความดับให้เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปจัดการอะไรครับกับเขาครูบาอาจารย์บอกว่าการที่เราเห็นซื่อๆรู้เฉยๆตามทุกเป็นนั่นแหะนี่เป็นหนทางของพระยเจ้า เป็นผลทางของพระรหันต์นะถ้าเราไปจัดการเขาต่างๆเข้าไปทางซ้ายให้มาทางขวาเข้าไปทางขวาเมาทางซ้ายตามเราต้องการนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ผลทางของพระพุทธศาสนาเนาะเพราะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็ชอบทําอยู่แล้วใช่ไหมเป็นใครๆก็ชอบทำอํำในตรงนี้อยู่แล้วนะอืมก็คือมันมันก็ไหลไม่ตามลมต่างๆอยู่แล้วเห็น ไ, ไหมไหลไปพอเราไม่ชอบใจก็ไปจัดการเขาอีกเห็น ไ, ไหม พอมันมันเป็นเวลาชอบใจแล้วก็ไปยินดีเขาไปเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นนะเขาเรียกว่าเป็นการมาตัณหาบ้างนะเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เป็นการมาตัณหาไปจัดการเขานะให้เขาถูกใจเราให้เขาไม่เป็นอารมณ์ที่ที่ที่เขาเป็นอันนี้ก็เป็นอ่าอัตตาจริงวารับมาตรฐานุโยคน ะ, ะก็คือการบังคับกดข่มเขานะพระเจ้าก็ให้เราเดินในทางสายการนะก็คือการที่เรารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองนะ เพราะนั้นถ้าลมต่างๆเราสามารถรู้ตามว่าเป็นอันนี้มันก็เป็นทางสายกลางอยู่แล้วนะเป็นทางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเราเราเราดูก็ได้ไหมเรารู้ก็ได้ไหมนะเพราะนั้นบางทีก็อาจจะมีนักปฏิบัติบางคนก็บอกว่าไอ้ปไปบัตแล้วมันทำไมมันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้นะมันทำไมไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการนะหรือไปบัติแล้วบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีรู้ตึกมีความทุกข์มาก รู้รู้สึกว่าไปบัตรแล้วไม่ก้าวหน้ายังมีกิเลส ต, ต่างๆมากมายนะอันนี้ก็คือการที่เราอ่ารู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรก็คือความที่เราอยากดีนั่นเองนะอันนี้คือสรุปให้เขาฟังว่าทั้งหมดเนี่ย น, นะเกิดจากเราอยากดีอยากดีถ้าเป็นไปตามเรื่องต้องการนั่นแหละอยากจะให้เรามีสติตลอดเวลาอยากให้เราอ่าไม่หลงใช่ไหม อยากให้เราไม่มีความโกรธอย่างเราอารมณ์เป็นปกติทั้งวันใช่หให้มันไม่ไม่เป็นอะไรทั้งวันนะฮะมีความสุขทั้งวันอะไรเงี้ยก็คืออยา ก, กดีนั่นเองนะไอ้ตัวอยา ก, กดีเนี่ยมันก็คือตัวขัดขวางตัวใหญ่เลยใช่พอเราอยากดีแล้วก็เป็นเร่งความเพียรให้อยากเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ให้เรารีบๆมาบรรลุธรรมเร็วๆใช่ ไ, ไอ้ตรงนี้มันยิ่งช้าใหญ่นะเพราะมันอะไรนี่แหละคือความปรุงแต่ง ในความเป็นตัวตนใช่ไหมเราตัวตนเข้ามาปรุงแต่งอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีอยากเป็นนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะมันมันไม่ได้สังเกตว่าไม่มีตัวตนเราอยู่ทั้งนั้นเลยนะอ่าพระลุพระเทียนยังบอกว่าอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ออกจากความเป็นตัวตนได้นะแต่ถ้ารู้ไม่ทันใ้ตัวตนมันเข้ามาตลอดเลยม嘛ไอ้ตัวตนเนี่ยมันมันสังเกตไม่ทันแลมันจะเข้ามาตลอดเวลา <c oughs> แต่ตรงนี้มันต้องมีโยนนโสมนสิการก่อนนะว่าเราไปบัตรเพื่อความพ้นทุกนะความพ้นทุกคือความที่เราเห็นปาา่าใจรักอนิจจังทุกขังนัตตามไม่ใช่ตัวเมตตนนั่นเองนะถ้าเรามีตรงนี้แล้วในใจปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราไปบัติรทำถูกถูกทางหรือไม่ <c oughs> ถ้าเราไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ถูกทางนะอะพอมันพอมันไม่เที่ยงปุ๊บเราก็มีความทุกข์แล้วทาไมมันไม่ดีนะเมื่อวานมันดีวันนี้มันไม่ไมดีวันนี้ทำไมมันหลงมากขนาดนี้นะ วันนี้ทำไมมันหงุ่นงิดจังเลยวันนี้มันทําไมอ่ารู้สึกว่าไม่ดีเลยน่าลาคาญตัวเองแย่จังเลยไอ้นี่มันมันมีทั้งอัตตาตัวตนแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่ทั้งหมดเลยแต่ไม่เคยยอมรับเลยว่านี่มันไม่เที่ยงนะเมื่อวานมันดีวันนี้มันไม่ดีมันก็แสดงความไม่เที่ยงอยู่แล้วนะอมันจะมีตัวตนแอบอยู่ตลอดใช่ไหมตรงเนี้มันต้องต้องมีโยนิโสมนสิการในใจให้ได้ก่อนว่าทุกอย่างนะมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นธนาไม่ตัวไม่ตนเพราะเรามีตรงนี้ปุ๊บมันเดินไม่ผิดทางเลย เพราะสิ่อย่างมันแสดงพระไตรัก์ตลอดนะเมื่อวานมันดีวันนี้ไม่ดีมันก็แสดงพระไตรักถึงความไม่เที่ยงอยู่แล้วใช่ไหมแสดงในงการบังคับบัญชาเขาไม่ได้อยู่แล้วเ น, นี่ยอเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็วางก็มันแสดงพระไตรลักษแสดงความจริงแล้วก็ เ, เรื่องธรรมดาของเขานี่แหละคือความจริงอันนี้คือสัจธรรมนะอันนี้คือความจริงที่มันที่มันถูกต้องมากกว่าที่ว่าเรายอมรับในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาไหมใช่ไหมถ้าเราไม่ยอมรับ มันก็มีความทุกข์อยู่แล้วนะมันนั่นแหละคือการจะไปเอาดีเพราะการเอาดีมันก็คือให้มันดีนั่นแหละพอไม่ดีมันก็ไม่ชอบใจนะ น, นี่ก็คือความไม่เป็นการของใจเนาะพอเราเข้าม า, ามีคือมันมีโยนิสโสในพระไตรลักษ์อยู่แล้วมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดทางนะมันเดินถูกทางตลอดเลยเนาะแต่ถ้าเราไม่มีโยนิสโสตัวนี้มันก็ไม่เข้าใจในชะ่ไหม ไม่เข้าใจเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ทุกอย่างนะมันก็ให้เราเป็นไปตามที่เราต้องการก็คือเมื่อเป็นเช่นนั้นเข้าไปทางซ้ายก็ให้เขามาทางขว า, าไปทางขวาก็ให้มาทางซ้ายอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ซื่ อ, อไม่เป็นผู้ดูไม่เป็นไม่เป็นผู้ดูนะเป็นผู้เป็นไปได้ไ ม, มครา้นี้เมื่อเราเข้าใจในพระไตรลักษณ์แล้วมันก็เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันไม่มีตัวมีตนที่จะเข้าไปจัดการในสิ่งเหล่านั้นนะ เขาดีหรือไม่ดีก็มไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเองไม่ใช่เรื่องของเรานะเราเป็นผู้ดูตลอดใช่ไหมมันไม่ได้ม่ได้มีอารมณ์ว่าต้องไปจัดการอะไรทั้งสิน้นจะไม่ดีก็มไม่เป็นไรก็ปเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของอของเรื่องในกอเรื่องในกอไม่เรื่องเราใช่ไหมเราก็เป็นผู้ดูเฉยเฉยมันแค่สมมุติเองนะแล้วบางทีใครก็มาด่าเราโอ้ชื่อชื่อเรานะอ่าพระว่าท่านชัยนี่เลวอย่างเลยนิสัยไม่ดีอ่าเป็นคนแย่มากอะไรอย่างหลายหลายนะ รเราก็จะยึดเออเขามาดาเรานะออกชื่อเราด้วยนะเนี่ยตรงนี้เราไปยึดแล้วนะไอ้คําเนี่ยจริงๆเป็นคําสมมุตินะภ้าวปนาชัยเนี่ยเปนสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองนะถ้ามันตั้งชื่อเป็นชื่ออื่นเราก็ไปยึดชื่ออื่นอีกใช่ไหมมันก็เป็นแค่าสมมุตินะไอ้ตัวตนเราก็สมมุติอีกใช่ไหมเนี่ยมันยึดทั้งชื่อทั้งตัวตนตัวตนเราเออเขามาด่านี่มันจริงๆแล้วมันเป็นตัวเราหรือเปล่าไงอย่างที่พระอาจารย์ไพศาลแสดงธรรมบอกว่าท้าวข้าวเอ็กซ์เลมไม่รู้เป็นใครนะ เอ็กซาเลปุ๊บเนี่ยมันร้อยคนเนี่ยมันไม่เห็นว่าเป็นใครเลยอาจจะเห็นแค่เขาขาวนะมันรูปร่างโครงกระดูกเขาขาวแล้วก็มีปอดมีตับแต่มันไม่ได้เห็นชัดว่าเป็นอะไรแล้วก็จะดูตรงนั้นมีจุดมีอะไรอยู่ตรงส่วนไหนของอวัยวะนั้นเท่านั้นเองจริงๆมันก็ดูไม่รู้เลยว่าอวัยะก็เป็นอะไรแต่เขาก็สามารถที่จะประเมินได้ว่ามันเป็นหัวใจเป็นตับเป็นปอดมีจุดมีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆมันจะดูไม่รู้ว่าเป็นใครไม่มีตัวไม่ต้นในตรงนั้นมันแค่เป็นเขาขาว อ่าเทาเทาดำดแค่นั้นเองใช่ไหมเป็นรูปเป็นร่างโครงกระดูกเท่านั้นเองนะมันดูไม่รู้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นใครด้วยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือมันมันตรงนั้นน่ะจริงๆเราก็เป็นแบบนั้นนะก็คือมันมันก็เป็นแค่อ่าบางอย่างเท่านั้นเองอ่าเป็นกองกระดูกนะเป็นกองเลือดนะกองเนื้ออ่ากองตับไตไส้พุงแล้วก็มารวมกันชั่วคราวอ่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะ เหลื อ, องที่ว่าแยกเป็นธาตุกระทา ด, ดินน้ําลมไฟเข้ามารวมกันชั่วคราวเท่านั้นเองเราเราก็ไปยึดว่านี่เป็นของเรานี้เม็นองเราอพอใครมาดา่าปุ๊บก็กระทบเรากระทบเราบางทีนะมันมีตัวเราอยู่นะเราไปยึดมันเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเราเรารู้ไม่ทันความยึดมั่นถือมั่นในตรงนี้นะอเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะรู้ตัาทันในอ่า ในสังขารเรานี้บ่อยๆนะมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะสังขารคือความปรุงแต่งมันผ่านหมดผ่านหมดอยู่แล้วนะมันแค่เป็นอาการบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วรู้ทันมันก็ดับไปรู้ทันก็ดับไปเพราะฉนั้นในในบทสุดท้ายที่ว่าเตสังบูปันสมุสุขโขก็คือเมื่อเราเข้าไประงับสังขารนั่นได้เราก็จะมีความสุขมีความสงบนะก็คือใจมันก็สงบมีความสุขแต่ถ้าเราไประงับสังขารคือความคิดปรุงแต่งนี้ไม่ได้เราก็มีแต่ความทุกข์ใช่ไหม เพราะว่าเพราะว่านมีมีตัวตนเราอยู่ใช่มันเป็นตัวตนเราอยู่ เ, เ, รเพราะอะไรเกิดขึ้นว่ามีตัวเราตลอดเลยนะเราลากักเราชังเราเกลียดเราโกรธเราอยากบรรลุธรรมเราอยากที่ปฏิบัติได้ผลรวดเร็วต่างๆต่างเหล่านี้มันมีตัวตนเราอยู่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือเราสามารถปฏิบัติได้นะแต่ว่าเราไม่ต้องไปบรรลุธรรมอะไรมันหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาน ะ, ะการบรรลุธรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ต้อไปตั้งใจ มันก็เราเรากินข้าวนะกินข้าวไปเรื่อยมันก็ต้องอิ่มใช่ไหมหรือถ้าเราเดินไปเดินไปกั้งคอนะเดินเดินจากวัดป่าสุโตรไปถ้าเดินไปเรื่อยมันก็ต้องถึงอยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งใจมันจะต้องถึงมันก็ต้องถึงนะนั่นก็มีความทุกข์อีต่างหาใช่ไหมแต่เราเดินไปได้ไหมเราเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวด้วยความเรียกว่าไม่ปรุงแต่งนะไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีไปกับอารมณ์อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปจัดการอะไรเขาถ้าจัดการมันก็เราเดินไปแล้วอ้าว ตรงนี้มันมีขี่หมาอยู่นะไปจัดการขี่หมาออกไปนะฮะเดินเดินไปเจ อ, อต้นไม้ขวางทางอยู่ก็ไปจัดการต้นไม้ออกไปนะหรือไม่ก็โอ้ตรงนี้ดอกไม้สวยจังเลยแวะดูดอกไม้หน่อยซอิตรงนี้มีบึงน้ำอยู่แวะบึงหน่อยซอิตรงนี้มีอาหารอยู่ไปกินอาหารหน่อยนี่ก็คือมันก็แวะไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไม่ได้รู้ทันแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางแล้ก็เจอแล้วก็แวะ เหนะมือนบางทีอย่างคนที่เคยฝึกสมาธิมานะอันนี้มันจะติดเยอะแยะเลยในชะ่ไหมฝึกสมาธิแล้วมันก็มีปิติก็ไปติดในปิติมีสุขก็ติดในสุขนะนะหรือไม่ก็มีสภาวธรรมต่างๆก็ติดในตรงนั้นนะมีนิมิตก็ไปติดในตรงนั้นมีความสงบก็ไปติดในตรงนั้นคือมันเป็นสภาวะของการติดเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะการเจริสติหรือว่าการที่เรามาสูดปัสสาเหมือนคือการรู้เท่านั้นเองนะมันมีแต่การรู้การรู้ รู้มันไม่ติดไงใช่ไหมติดมันเป็นความหลงนะติดในอะไรมันเป็นความหลงมันคือว่าหลงไหลไหลในการติดนั่นเองนะติดในความสงบบ้างติดในปิติบ้างติดในสุขบ้างติดในสภาวธรรมบ้างหรือติดในนิมิตต่างๆบ้างอันหน่าเป็นการติดนะพอติดแล้วมันก็อยากจะเห็นอยากจะได้ในตรงนั้นอีกมันก็เป็นการวนวนในสภาวธรรมนะไม่เห็นว่าจริงๆเราบังคับเข้าไม่ได้นะมันเป็นการวน แต่เมื่อเรามีสติจริงๆแล้วมันก็แค่รู้เองนะทุกอย่างมันมีหน้าที่รู้เพราะนั้นตรงนี้จริงๆได้บอกว่าจริงๆไม่ได้บอกนะคือครูบาอาจารย์หรือว่าธรรมะจริงๆเขาบอกว่าใจในมันมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองนะใจมันมีหน้าที่แค่รู้มันไม่มีหน้าที่เป็นนะเป็นก็คือเป็นอะไรเป็นผู้รักผู้โกรธผู้เกลียดผู้ชังผู้ช้าลิสยาผู้กลัวผู้เงาผู้เครียดนะอันนี้ ผู้เนี่ยคืออะไรทั้งหมดนี้ผู้เนี่ยมันก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองนะอารมณ์ต่างๆนั้นมันเป็นผู้มันผู้ผู้เป็นนะเป็นผู้เป็นใช่ไหมผู้เป็นต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่อาการของใจเท่านั้นเองแต่เราไปยึดไอ้ผู้เนี่ยผู้เป็นมาเป็นเราไงผู้รักผู้เกลียดผู้ชังผู้โกรธผู้เหงาผู้เครียดมันยึดเป็นเราหมดเลยนะลองดูนะใครไม่เคยไปบัชทำมันจะแบบนี้ทั้งนั้นเลยวันๆหนึ่งก็ายึดเราทั้งนั้น เราโกรธเราลักเราชังเราเครียดเราเหงาเรากลัวเราอยากบรรลุธรรมมันมีแต่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะอมันก็ไม่ผ่านนะเพราะมันไปยึดไอ้อาการของใจหรือความปรุงแต่งมาเป็นเราใช่ไหมแต่เราเป็นผู้รู้นะผู้รู้ก็คือเราแค่รู้มันใช่ไหมรู้ว่ามันโกรธรู้ว่ามันลักรู้ว่ามันชังรู้ว่ามันเหงารู้ว่ามันเครียดรู้ว่ามันอยากบรรลุธรรมก็คือเรารู้มันไม่ต้องเป็นเป็นผู้เป็นมันก็ออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้จริงๆใช่ไหมนี่แหละมันจิตมันมีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเอง สวนอนอกนั้นคืออาการของจิตนี่เป็นสภาพแวดยางหนึ่งที่ว่าเราบังคับเขาไม่ได้เลยบังคับไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเข้ามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดักเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ไม่นอนพวกนี้คืออาการของจิตหมดเลยนะต่อให้เราโกรธขนาดไหนนะโกรธแบบเคียดแค้นมากเขามาคมคืนเราเขามาทาร้ายเราค่ขมคืนเราต้องสิบคนมันโกรธมากแล้วนะนะแต่เวลานอนหลับเป็นไง มันลืมหมดแลยมันลืมหมดเลยลมมเรือ่องพวก น, นี้มันลืมหมดเลยมันไม่อยู่ในใจเราเลยนะแต่พอตื่นามาปุ๊บอา้าวคิดอีกแล้วเข้ามาข่มคืนเราเข้ามาทําอะไรเราเยอะๆยะยะเลยเข้ามาดูถูกเราเวลามันนอนหลับมันก็ลืมไปหมดแล้วตื่นมันก็คิดอีกนี่มันเป็นอะไรนี่แหละคืออาการของจิตหรืออาการอาการของใจที่มันเข้ามาปรุงแต่งใจเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ทันแล้วเวลาเรา น, นอนหลับทําไมมันไม่ปรุงแต่งใช่ไหม ตรงนี้เราจะเห็นในชัดเจนว่าไอ้ตรงความปุงแต่งก็คือความคิดเราทั้งทั้งหมดเลยมนะเมื่อเราคิดแล้วก็คือสังขารคือความปรุงแต่งเรามีความทุกข์ในรมต่างๆเหล่านั้นนะแต่เวลาถ้าเราไม่คิดมันก็คือวางใช่ไหมวางหมดเมื่อแต่สังขารร่างกายเหล่านั้นนะนะถ้าเรารู้เมื่อไหร่ไอจ้จริงๆแล้วตรงเนี้มันเป็นการยืนมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนแต่เราไม่ได้ไปสนใจเขาเราไม่ได้ไปอะไรกับเขาเหมือนกันเรานอนหลับไอ้สังขารก็เป็นเรื่องสังขารไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแม้ตัวตนก็ไม่มีใช่ไหม แต่เราตื่นมาปุ๊บโออันนี้เราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไ ร, ม, สอสอ ร, ม, ร, รมันกลับมาหมดเลยนะอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้การเป็นผู้นวยการมันกลับมาหมดเลยแต่เวลานอนนี่มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรในตรงนี้เลยมันวางมันเองหมดเลยนะนเีห็นไหมนี่คือความความปรุงแต่งสังขารคือความปรุงแต่ ง, งแล้วก็เราก็ไปยึดมันเหมือนที่ว่ายึดหัวโขนนะเราไปยึดมันเกืบทั้งหมดเลยเพราะเรารู้ไม่ทันในความปรุงแต่งต่างๆเหล่านี้แล้วแหละ แต่ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้เท่าทันนะโดยเพราะถ้าเรามีโยนิสม์มนัิการคือพระไตรลักษณ์ที่เราเข้าใจอยู่แล้วจริงๆแล้วเข้าใจระดับหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องเข้าใจหมดถ้าเข้าใจหมดเป็นพระรหันต์ไปแล้วนะคือเราเข้าใจระดับหนึ่งในความที่เรียกว่ามันเป็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่ละตัวเรามันก็คือความไม่เทียมเป็นทุกประนตามันไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้มันจะปล่อยไปตามลำดับเลยมันค่อยก็ปล่อยค่อยๆคลายออกเพราะเราจะเริ่มสังเกตได้ละเอตอนนี้เราเราเริ่มมีตัวตนแล้วนะอ่า ผมไม่มีใครมาด่าแล้วปุ๊บเลยเริ่มสังเกตแล้วตอนเราเริ่มโกรธแล้วนะคือมันกลับมาดูความโกรธนะใะมเมื่อก่อนเราตัวเราโกรธไอเราโกรธตัวเราเลยแต่ตอนมันเริ่มเห็นแล้วไอนี่มันใจมันไปโกรธนี่ว่ามันเริ่มเห็นแล้วนะออะไรทั้งหลายเลาคือเริ่มมันเห็นมีตัวตนแล้วว่าเราเราเริ่มไปไปเอาตัวเราไปรับแล้วใช่ไหมหรือเริ่มมีส่วนในเสียแล้วนะส่วนในเสียนในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเราจะกลับมาสังเกตตัวนี้ได้ไว การเราสังเกตตัวตนได้บ่อยๆว่ามันมีส่วนข้นมาในตอนนั้นขณะนั้นมันเกิดขึ้นในตอนไหนเวลาอิจฉาใครเห็นไหมเราเริ่มอิจฉาแล้วนะเนี่ยมันมีส่วนได้เสียแล้วนะคือสังเกตพวกนี้บ่อยๆว่ามันจะเล็กลงนะมันจะเบาลงเพราะเราเมิ่อสังเกตเองเป็นแล้วใช่ไหมแต่เราสังเกตตรงนี้ไม่เป็นมันจะโตตลอดเลยนะมันจะใหญ่โตโมโหรานใครมาชมเราเราก็ดีใจดีใจมากตัวตนมันพองมันต้องเยอะไม่เห็นเลยนะมันมันพองนะมันใหญ่โตแต่เวลาใครก็ ทำดีกว่าเราทำเกินหน้าเกินตาเราเราสึกตัวเราเล็กลงนะนี่มันก็มองไม่เห็นนะตัวใหญ่ตัวเล็กจริงๆเราไม่ปบัติให้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะไม่ต้องว่าไปบัติทำแล้ตัวต้องเล็กลงหรือตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าเรื่องที่ตัวมันใหญ่หรือตัวมันเล็กมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเราเป็นเรื่องมันเองมันจะตัวใหญ่ก็เป็นเรื่องมันมันจะตัวเล็กก็เรื่องมันเรามีหน้าที่แค่ดูแค่รู้เหมือนเท่านั้นเองนะเพราะทั้งหมดทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็ไม่ใช่เรานําไม่ใช่เราทั้งหมดเลยนนเเรราาามีีห้้ททู่่อง ในสุดสุดท้ายนะแม้แต่รู้ก็ต้องปล่อยเพราะถ้าในสุดท้ายถ้าเราไม่ไมต่อยปล uy, ่อยรู้มันก็ไปติดติดในรู้นั่นแหละมันก็ยังไม่ได้พ้นทุกจริงๆนะอะเพราะฉะนั้นในประการสุดท้ายเนะี่ยเขาว่าแม้แต่รู้ก็ต้องปล่อยในตัวรู้นะมันจะไม่ติดในทุกภาวธธรรมจิตเพราะว่าจิตมันไม่ใช่เราอยู่แล้วนะ่จิตมันรู้ก็จริงแต่จิตมันก็ไม่ใช่เราเพราะว่ากายและจิตรูปนามไม่ตัวไมต่ตนของเราที่เข้าสู่ทุกวันนะ สัพเพสังคาลานิจจาสัพเพสังฆราาทุกขาสัพเพ ธ, ธรรมานตาก็คือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ตัวไม่ตนของเราดูแล้วทางจิตจิตก็ไม่ใช่เรานะเพราะฉนั้นเมื่อจิตของเรามันมีหน้าที่รู้เท่านั้นเองเราต้องปล่อยตัวรู้ด้วยเมื่อปล่อยตัวรู้แล้วนั่นก็คือการปล่อยจิตมันมีอะไรมาจึงผ่านหมดนะแม้แต่รู้ก็ผ่านหรือไม่รู้ก็ผ่านเนี่ยอันนี้มันจะได้พ้นทุกอย่างแท้จริงนะเพราะนี้ก็เป็นหนทางการปฏิธรรมที่พ้นทุกข์ที่ไม่ยากนะจริงๆเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันปฏิธรรมเนี่ยบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ท ก็เป็นการบรรลุธรรมใตนตามลำดับเพราะเราค่อยๆเข้าใจมันศึกษามันแล้วก็ค่อยๆ ป, ปล่อยค่อยๆวางไปนะตรงนี้มันก็เป็นหนทางแห่งการบรรลุธรรมนะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณพระนรตายน้อมนำเรน่้นเจริญด้วยเสียงสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานอท่านเทิด